ตำนานสยองขวัญเกี่ยวกับเรื่องผีของเมืองสุพรรณมีหลายเรื่องราวแห่งความเร้นลับที่ชาวบ้านยังคงเล่าสืบต่อกันมาไม่เคยลืมเลือนยังมีเรื่องราวเร้นลับที่เคยโด่งดังขนาดเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เรื่องหนึ่งค่ะกล่าวถึงผีสาวตายท้องกลมแล้วก็กลายเป็นสัมภเวสีนะคะที่วิญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะว่ายังห่วงหาอาวรในคนรัก และลูกนะคะด้วยจิตที่ยังยืดมั่นจึงคอยวนเวียนหลอกหลอนแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาให้คนเห็นจนเก็บเอาไปเป็นคำร่ำลือคล้ายกับตำนานนางนาคพระขนมค่ะความเฮี้ยนของวิญญาณนางนาคเมืองสุพรรณเริ่มต้นขึ้นเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยพบเห็นแล้วก็จากสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์จริง คนเท่าคนแก่ที่เคยรู้เคยเห็นก็ยังคงจําเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างแม่นยําค่ะเรื่องราวของวิญญาณเฮียนนางนาคเมืองสุพรรณเกิดขึ้นที่บ้านเก้าห้องอําเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่บ้านไม้หลังใหญ่ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนที่นี่มีครอบครัวของชาวจีนครอบครัวหนึ่งนะคะเป็นช่างทองมีฝีมือในการทําทองจนสร้างฐานะเรียกว่าอยู่ในขั้นมีอันจะกิน ครอบรวัวนี้มีลูกสาวหน้าตาสวยคมจนเป็นที่เลื่องลืออยู่คนหนึ่งชื่อว่าแม่พวยค่ะความสวยของแม่พวยผู้เท่าผู้แก่ที่จำได้เล่าว่าสวยมากขาวมากแล้วก็รูปร่างอรชรจนทำให้หนุ่มๆแห่งบางปะมะหมายปองกันทั้งตำบล แต่ว่าแม่พวยก็ยังไม่ตกลงปลงใจให้ใครจนกระทั่งเกิดบุพเพศนิวาสได้พบกับคนรักที่เป็นหนุ่มสมุทรสาคอนเกิดถูกตาต้องใจกันโดยที่แม่ของแม่พวยก็ไม่ขัดข้องเพราะเห็นว่าฝ่ายชายก็พอที่จะมีฐานะจึงตกลงให้พ่อกับแม่ของฝ่ายชายพาผู้ใหญ่มาสู่ขอแล้วก็จัดพิธีแต่งงานอย่างสมเกียรติสมหน้าสมตาทั้งสองฝ่ายเป็นที่กล่าวถึงของชาวบางปลามในยุคนั้น แม่พวยอยู่กินกับสามีจนมีลูกด้วยกันนะคะคนแรกเป็นผู้ชายค่ะช่วงเวลานั้นสามีของแม่พวยก็ต้องกลับระหว่างบ้านที่สมุทรสาครและก็ที่สุพรรณบุรีเพราะว่าเริ่มจะทําอาชีพประมงออกเรือหาปลาในทะเลและก็เวลาออกทะเลแต่ละครั้งก็จะไปหลายวันกว่าจะกลับเข้าฝั่งจึงชักชวนให้แม่พวยไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยกันแต่ว่าแม่พวยก็ปฏิเสธค่ะอ้างว่าเป็นห่วงพ่อกับแม่ซึ่งแก่ชราจะไม่มีใคร คอยดูแลชีวิตคู่ของไม่พ่วยก็ค่อยๆเริ่มห่างกันเธอก็คอยดูแลพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะส่วนสามีนานๆจะกลับมาทีนึง เคราะห์กรรมของแม่พวยเริ่มขึ้นอีกเมื่อต่อมานะคะพ่อของเธอเกิดหลงผิดในอบัยมุขติดการพนันเข้าบ่อนไม่สนใจทำมาหากินค่ะเงินทองที่เคยมีก็ร่อยหรอจนความลำบากเข้ามาเยือนเกิดความอัตคัดขัดสนเงินทองทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เริ่มหมดไปทำให้แม่ของแม่พวยเริ่มกลัดกลุ้มแล้วก็หาทางระบายด้วยการกินเหล้าเมายานานวันเข้าก็ประคองสติไม่อยู่เสียผู้เสียคนไปเลย ฝ่ายสามีของแม่พวยค่ะเมื่อกลับมาบ้านที่สุพรรณบุรีมาเห็นสภาพครอบครัวพ่อตาแม่ยายที่เป็นเช่นนี้ก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าเงินทองที่ให้เมียไว้ใช้ก็ถูกพ่อตารีดไถเอาไปเล่นการพนันจนหมดจึงชวนแม่พวยไปอยู่ที่สมุทรสาครด้วยกันอีกแต่ว่าแม่พวยก็ไม่ไปเพราะความเป็นห่วงพ่อกับแม่จึงได้แต่ยอมอดทนให้พ่อรีดไถเงิน ถึงขนาดหนักเท่าก็จะเอาฉนดที่ดินและบ้านไปขายเพื่อหาเงินไปเล่นการพนันแล้วเคราะห์กรรมก็ยังมาซ้าเติมครอบครวัวนี้เมื่อพ่อยื้ย่างชนดไปขายไม่ได้ก็โมโหโจนขาดสติจุดไฟเผาบ้านตัวเองแต่พลาดท่าลามาติดเสื้อผ้าไฟจึงลุกไหม้ร่างกายจนอาการสาหัสชาวบ้านเล่าว่าแกนอนร้องอย่างเจ็บปวดทรมานอยู่สามวันก็สิ้นใจ หลังจากที่พ่อตายไปแล้วนะคะแม่พวยก็ใช้ชีวิตอยู่ลำพังกับแม่และลูกชายของเธอส่วนสามีก็ยังมาหาบ้างแต่ละครั้งก็เว้นไปนานหลายเดือนจนแม่พวยอดคิดไม่ได้นะคะว่าสามีจะมีหญิงอื่นความกลัดกลุ้มเมื่อไม่มีทางออกจึงหาทางระบายด้วยเหล้า ซึ่งระหว่างนั้นแม่พวยก็เกิดตั้งท้องลูกคนที่สองพอดีและเมื่อสามีไม่ใยดีแม่พวยก็ยิ่งดื่มเหล้ามากขึ้นจนเด็กในท้องทนพิษร้ายของแอลกอฮอล์ไม่ไหวทําให้เสียชีวิตก่อนกำหนดตัวของแม่พวยกว่าจะรู้ว่าลูกตายอยู่ในท้องก็สายไปซะแล้วค่ะเธอจึงต้องทรมานกับความเจ็บปวดแสนสาหัสจนขาดใจต า, ต, าตายตามลูกไปในที่สุด ส่วนแม่ของแม่พวยภายหลังก็ตรอมใจตายไปอีกคนก็เลยทำให้บ้านหลังดังกล่าวที่เป็นฝากระดานหลังใหญ่ริมแม่น้ำท่าจีนหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้างจนเกิดตำนานความเฮี้ยนในเวลาต่อมา ถ้าเปรียบชีวิตดุจ ด, ดังละครครอบครัวที่น่าสงสารครอบครัวนี้ก็แสดงให้เราเห็นหลายฉากของชีวิตที่โลดแล่นโดยเริ่มต้นและจบลงไปด้วยแรงแห่งกรรมไม่มีใครสามารถคาดและหวังได้ว่าปลายทางตอนจบของชีวิตจะดําเนินไปอย่างไรเพราะทุกสิ่งในโลกล้วนไม่แน่นอนดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ความตายของแม่พวยเกิดเป็นตํานานคล้ายหนังนาคพระขนง่ง เพราะว่าตายขณะที่ยังห่วงโดยเฉพาะตายทั้งกลมคนโบราณเขาว่าเฮี้ยนคือตายขณะที่ยังไม่สิ้นอายุขายและต้องทนเจ็บปวดทุกทรมานเหลือที่จะทนก่อนสิ้นใจจิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญนักอารมณ์นึกคิดถึงสิ่งใดก่อนตายเมื่อสิ้นลมไปแล้วจิตจะจดจ่อยึดติดอยู่แต่สิ่งนั้น ตัวของแม่พวยก่อนตายเกิดความห่วงแยในลูกและสามีจนจิตหาความสงบไม่ได้เมื่อตายไปจึงกลายเป็นสัมภเวสีที่เที่ยวหลอกหลอนผู้คนจนอยู่ไม่เป็นสุขชาวบ้านเล่าว่าเมื่อแม่พวยตายใหม่ๆผีแม่พวยก็เริ่มแสดงฤทธิ์ให้ผู้คนแล้วก็เด็กเล็กตื่นกลัวนะคะคือบ้านแม่พวยเมื่อร้างลงก็ทิ้งผลละมารากไม้ไว้นาน า, นานชนิดให้ออกดอกออกผลมากมายค่ะทั้งมะม่วงขนุนละมุดมะปราง เด็กแ่านั้นรู้ทั้งรู้ว่าบ้านร้างหลังนี้ผีดุนะคะแต่ว่าเพราะความแก่นแก้วซุกซนจึงมักจะชักชวนกันมาขโมยผลไม้ไปกินโดยมีหัวโจกอยู่คนนึงค่ะเป็นผู้ปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงซึ่งสุกเหลืองน่ากินเต็มต้นระหว่างกำลังป่ายปีนขึ้นไปสายตาก็เหลือบไปเห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวกาลังนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้เมื่อแง้มองดูเต็มตาก็แทบช็อกเพราะบนนั้นก็คือแม่พวยซึ่งตายไปแล้วกาลังยิ้มให้ กับกองจนเด็กก็เลยพากันวิ่งแนบกระเจิงออกจากสวนร้างแทบไม่ทันค่ะตั้งแต่นั้นข่าวผีแม่พวยก็แพร่ออกไปทั่วและก็ไม่ใช่แต่เด็กๆนะคะที่จะเจอพวกเรือเมที่แล่นผ่านหน้าบ้านของแม่พวยก็เจอเช่นกันคนเจอก็คือนายท้ายเรือเมสมัยนั้นชาวบ้านบางประมะถ้าต้องการจะเข้าสุพรรณบุรีหรือจะไปกรุงเทพเขาก็จะคอยขึ้นเรือที่หัวสะพานท่าน้า พอเรือแล่นใกล้เข้ามาก็จะส่งสัญญาณให้รู้เช่นใช้ตะเกียงหรือว่าไฟฉายส่องไปมาให้เห็นคืนนั้นเล่าว่าเป็นคราวเคาะของนายท้ายเรือที่ชื่อว่าตะกลิ่นแกแล่นเรือมายามดึกเข้าเขตบางประมาะเกือบตีสเป็นเวลาที่เงียบสงัดผู้โดยสารที่มาด้วยก็หลับกันหมดตลอดทั้งลำจึงมีแต่ตะกลิ่นและก็คนเรือแค่สองคนที่ตื่นอยู่เพื่อพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายพอเรือแล่นเข้าใกล้บ้านหลังหนึ่ง ก็เห็นแสงไฟเหมือนมีคนแก่งเป็นสัญญาณให้เข้าไปรับที่หัวสะพานท่าน้ำมองเห็นร่างๆว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกาลังโบกตะเกียงเรียกเรือจึงทำให้คนเรือหันหัวเรือเข้าไปที่ท่าน้ำนั้นและเพราะเรือมัวแต่หันหัวเรือเข้าเทียบสะพานนายท้ายก็เลยไม่ได้สนใจว่าผู้โดยสารเป็นใคร แต่พอเรือหยุดนิ่งก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีคนก้าวขึ้นเรือมองไปที่สะพานเห็นแค่ตะเกียงเก่าๆสนิมเครือไม่มีโปะไฟครอบแก้วกลิ้งอยู่จึงรีบส่องไฟฉายดูตลอดบริเวณนั้นก็ไม่มีใครอยู่บนสะพานสักคน เลยสะพานท่านา้มขึ้นไปก็เป็นเรือนร้างหลังใหญ่ที่ไม่มีใครอาศัยอยู่นายท้ายก็เลยพึ่งจะรู้สึกตัวขนลุกสู้จำได้แล้วว่านี่คือบ้านร้างผีดุของแม่พวยคราวนี้เลยรีบสั่งคนเรือเร่งเครื่องแลน่นหนีห่างจากสะพานชนิดที่ว่าไม่เหลียวหลังเลยทีเดียวแล้วค่ะ แล้วก็คืนต่อมานะคะพอแล่นเข้าเขตบางประมาหากจนจะถึงหน้าบ้านแม่พวยนายท้ายเรือทุกลำจะสั่งคนเรือเร่งเครื่องเร็วที่สุดหากเห็นว่ามีใครมาแก่งตะเกียงเรียกให้จอดรับเป็นตายร้ายดียังไงก็จะไม่มีใครเอาเรือเข้าไปหยุดรับเด็ดขาด น, นะคะเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุซ้ำสองเรื่องของผีแม่พวยถูกเล่าปากต่อปากเป็นที่ตื่นเต้นปนขนหัวลุกเรื่อยมา ความเฮี้ยนของผีแม่พวยหรือว่านางนาคเมืองสุพรรณบุรีค่ะถูกเล่าปากต่อปากเป็นที่หวาดหวั่นพร่นพรึงของคนฟังแต่ก็อยากจะฟังแม้ว่ามันจะตื่นเต้นและชวนขนหัวลุกก็ตามค่ะ เรื่องของความเฮียนไม่เลิกรานีนะคะว่ากันว่าในครั้งนั้นไม่มีใครกล้าเฉียดไกลเข้าไปใกล้บ้านร้างหลังนั้นเลยเพราะว่าคนที่เจอมาเล่าตรงกันว่าเวลาเดินผ่านบ้านแม่พวยมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนอย่างน่าสงสารดังลอดมาจากภายในบ้านร้างนั้นคล้ายกับกำลังเรียกหาลูกและสามีที่ทอดทิ้งไปไกลกิติศัพท์ของผีแม่พวยที่บ้านร้างก็ยังปรากฏให้คนเห็นอยู่เนือง มีเรื่องเล่านะคะถึงแม่ค้าพายเรือขายขนมหวานอยู่คนนึงซึ่งแกเพิ่งมาอยู่ที่บางปลาม้าใหม่ๆจึงยังไม่รู้ถึงกิติศัพท์ความเฮี้ยนของผีแม่พวยที่บ้านร้างหลังนี้โดยทุกวันค่ะป้าแกก็จะพายเรือผ่านหน้าบ้านแม่พวยไปเพื่อขายขนมพอตกค่าแกก็จะพายเรือกลับบ้านวันนึงขณะพายเรือมาใกล้สะพานท่าน้ําบ้านแม่พวยแกก็เห็นผู้หญิงผมยาวผิวขาวท้องแก่มายืนกวักมือเรียกอยู่ที่หัวสะพานนะคะเพื่อที่จะซื้อขนม แกก็ดีใจค่ะรีบเอาเรือเข้าไปเทียบพร้อมกับถามว่าจะรับขนมอะไรผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่ามีอะไรก็ห่อมาเถอะฉันไม่ได้กินขนมหวานมานานแล้วแม่ค้าก็จัดแจงห่อขนมให้แล้วยังได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นบอกอีกว่าวางขนมไว้ที่ขั้นบันไดนั่นแหละเดี๋ยวจะลงไปเอาป้าแม่ค้าขนมแกก็หันไปห่อขนมเรียบร้อยค่ะพร้อมกับจัดวางเรียงไว้บนบันไดเสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นมอง แต่ว่าไม่มองไม่เห็นใครนะคะที่อยู่บนหัวสะพานแกก็ตะโกนเรียกให้มาเอาขนมแต่ก็เงียบผิดสังเกตค่ะแกก็เลยขึ้นบันไดไปดูพอแกเห็นสภาพบริเวณบ้านแกก็รู้สึกชาไปทั้งตัวค่ะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่นั้นสอ่อแววว่าจะเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มานานมีหญ้าขึ้นรกแน่นขนาดปิดทางเดินและผู้หญิงท้องแกที่มายืนเรียกอยู่ท่าน้านั้นจะเป็นใครแล้วจะอยู่ได้ยังไงและไม่รู้ว่าอยู่หายไปไหน พอแกคิดได้ขนหัวแกก็ลุกตั้งค่ะพร้อมกับรีบล่นลานลงบันไดจ้ำฝีภายอ้าวอ้าวทิ้งขนมหวานซึ่งห่ออย่างเรียบร้อยไว้ตรงนั้นคุณผู้ฟังคะผีไม่พวยยังเที่ยวหลอกหลอนคนไปทั่วจนบางรายถึงกับจับไข้หัวกรนโดยชาวบ้านนะคะก็อดทนไม่ได้ค่ะก็เลยปรึกษาหารือกันว่าต้องมีใครมาจัดการให้วิญญาณสงบไม่เช่นนั้นนะคะคงจะต้องมีใครตายกันบ้าง ดังนั้นชาวบ้านบางประมาะกลุ่มหนึ่งค่ะจึงพากันไปหาหลวงปู่ไข่วัดบางเลนซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ทางสายเวทผู้เก่งกาศรูปนึงมาปราบค่ะแต่ว่าหลวงปู่ไค์ไม่รับนิมนต์ท่านบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนในเมื่อคนไปรุกรานถึงบ้านเขาแล้วยังจะให้อัตมาไปปราบอีกมันถูกต้องแล้วหรือถ้ามีคนมาไล่พวกโยมออกจากบ้านบ้างโยมจะรู้สึกยังไง ชาวบ้านก็เลยต้องลาหลวงปู่ไข่กลับนะคะเพราะว่าจนปัญญาที่จะตอบจึงปล่อยให้ผีไม่พวยค่ะปรากฏตัวแสดงฤทธิ์ต่างๆนนน า, นาต่อไปจนข่าวดังขนาดหนังสือพิมพ์บางกอบไทม์สมัยนั้นส่งนักข่าวมาทำข่าวทั้งยังาชาวบ้านต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยถึงกับดันด้นเดินทางมาดูบ้านร้างผีสิงกันอยู่เสมอความดังของผีไม่พวยค่ะได้ล่วงรู้ไปถึงหูสามีที่สมุทรสาคร จึงคิดที่จะขายบ้านร้างหลังนี้ในราคาถูกๆให้กับข้าบดีเพื่อที่เรื่องวุ่นๆจะได้ยุติลงสักทีนะคะซึ่งขหาบดีรายนี้ก็สนใจค่ะแต่ว่าขอดูบ้านก่อนจึงได้เดินทางมาที่บ้านร้างพร้อมกับลูกน้องระหว่างที่กำลังเดินสำรวจอยู่บนบ้านกลางวันแสกๆค่ะ ข่บดีแล้วก็ลูกน้องถึงกับตกตะลึงตัวแข็งเพราะรู้สึกว่าเรือนทั้งหลังนี่มันโยกเหมือนเกิดแผ่นดินไหวพร้อมกับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครวัครางคล้ายกับว่ากำลังได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสดังออกมาจากห้องที่ปิดประตูใส่กุญแจและมีฝุ่นละอองหยักย่อยจับเต็มไปหมดค่ะเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ค่าบดีและลูกน้องก็เลยต้องวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตรีบลงเรือกลับอย่างรวดเร็วและไม่คิดจะหวนกลับมาอีกเลย บ้านของแม่พวยก็เลยถูกปล่อยทิ้งให้ร้างลงไปกว่า10ปีนะคะจนกระทั่งลูกชายคนโตของแม่พวยโตขึ้นจึงได้กลับมาดูบ้านเก่าของแม่ซึ่งถูกปล่อยทิ้งให้ร้างสุดโสมอย่างน่าสังเวชเมื่อเห็นแล้วก็เลยตัดสินใจรื้อไปถวายวัดที่บ้านด่านค่ะเพื่อให้พระนําไปสร้างกุฏิแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พวยแล้วก็ตาใหย่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ปัจจุบันเรือนร้างของแม่พวยหลังนั้นถูกสร้างขึ้นเป็นกุฏิหลังหนึ่งสำหรับพระภิกษุจำพรรษาที่วัดบ้านด่านวัดเล็กๆในอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีและหลังจากถวายบ้านร้างให้วัดแล้ววิญญาณของแม่พวยก็ยังไม่เคยมาปรากฏหลอกหลอนใครอีกเลยค่ะจึงคิดว่าแม่พวยคงจะได้รับผลบุญผลกุศลที่ลูกชายอุทิศไปให้อยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็ได้ สำหรับกุฏิที่สร้างจากเรือนร้างของไม้พวยนั้นค่ะปัจจุบันถูกปิดตายเพราะไม่มีพระสงฆ์เข้าไปอยู่บรรยากาศจึงดูเงียบเหงาวังเวงและก็อาจจะเป็นเพราะกลิ่นอายแห่งอาถรรพ์ในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ค่ะก็เลยทำให้พระในวัดขยาดไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนหลังนั้นก็เป็นได้ การที่วิญญาณของแม่พวยยังคงวนเวียนยึดติดอยู่กับโลกมนุษย์โดยไม่ยอมไปสู่ที่ชอบหรือสถานที่ที่เหมาะสมกับเวรกรรมของตนนั้นอาจเป็นเพราะว่ามีวิบากกรรมที่ทำให้สลัดกิเลสไม่หลุดคือยังปรงไม่ตกกับคนข้างหลังยังห่วงใยทั้งลูกแล้วก็สามีจึงต้องใช้นี่กรรมให้เบาบางลงความยึดติดถึงหมดไป เรื่องของวิญญาณที่ยังคงเวียนปรากฏร่างให้คนอื่นเห็นนะคะยังคงมีเรื่องเล่าอีกที่วัดบางซอ อ, อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นวิญญาณของหญิงสาวแล้วก็เด็กที่เสียชีวิตจากเรือล่มจนจมน้ำหายไปแล้วก็มาปรากฏตัวเป็นรูปร่างชัดเจนให้คนรักซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบางซอเห็นและไม่ใช่แค่พระรูปนั้นรูปเดียวนะคะแต่ว่าเด็กวัดพระแล้วก็เนน ห, หลายรูป ก็เห็นกันหมดโดยวิญญาณดวงนี้มาปรากฏร่างแล้วก็ก้มหน้านิ่งอยู่พักใหญ่แล้วอยู่ๆค่ะก็หายวับไปต่อหน้าต่อตานอกจากนั้นแล้วนะคะในบางคืนเมื่อพระเนนจำวัดกันหมดแล้วก็จะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ใต้ถุนกุฏิ บางครั้งก็ใช้ไม้เคาะกุฏิหลังโน้นหลังนี้เล่นค่ะทําเอาพระเนนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่ามีวิญญาณของผีสาวมาหลอกหลอนนะคะชาวบ้านเล่าว่าผีสาวตนนี้พอหลอกพระในวัดได้สักพักก็คงจะเบื่อก็เลยไปหลอกคนนอกวัดบ้างโดยในวันดีคืนดีนะคะก็ในยามดึกท้าใคราพายเรือผ่านหน้าวัดก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงกับเด็กคนนึงกระโดดน้ําเล่นเป็นที่สนุกสนานชั่วพริบตาก็จะหายไปทำเอาชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาในยามดึก เป็นโรคประสาทแล้วก็ผวากันเป็นแถวเลยทีเดียวมีการเล่าต่อๆกันมาค่ะว่าต่อมาพระที่เป็นอดีตคนรักของผีสาวตนนั้นท่านได้บวชต่อโดยไม่ศึกและได้ย้ายหนีไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแถวๆจังหวัดนนทบุรี คุณผู้ฟังคะเรื่องผีที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผู้ที่เคยสัมผัสจนเป็นที่เล่าต่อนะคะโดยสถานที่เกิดเหตุก็ยังคงมีอยู่จึงพอจะเป็นสิ่งยืนยันได้ค่ะว่าวิญญาณแม้จะเป็นเรื่องเล้นลับแต่ว่าก็มีอยู่จริงแน่นอน